ได้อ่านบทความนะเป็นภาษาต่างประเทศนะคนเขียนเขาตั้งชื่อไว้น่าสนใจว่าเหตุผลเจดอย่างที่ทำให้ความร่ำรวยเป็นสิ่งที่น่ากลัวใครๆก็อยากรวยนะไม่ว่าคนไทยหรือว่าคนที่ไหนในโลกเนี่ยเราคิดว่ารวยแล้วจะมีความสุขนะแต่ว่า ฝรั่งที่เขียนบทความนี้เขาก็ไปสัมภาษณ์ผู้คนมากมายทั้งคนรวยแล้วก็พวกนักธุรกิจแล้วเขาก็สรุปว่าเป็นเศรษฐีเงินล้านนะไม่ว่าจะเป็นเพราะฝีมือหรือเพราะมีโชคมาหล่นทับนี่มันไม่ได้มีความสุขอย่างที่คนหนึ่งเข้าใจนะอาจจะสุขเท่าอาจจะทุกข์เท่าเดิมหรือว่ า, า จ, จะทุกข์กว่าเดิมก็ได้ เขาบอกว่าเนี่ยคนที่ร่ำรวยเนี่ยนะอันนี้เขาพูดเฉพาะตัวอย่างในอเมริกาหรือในยุโรปนะอาจจะไม่ตรงกับเมืองไทยทีเดียวแต่เมืองไทยคงจะไปมุ่งหน้าไปสู่จุดนั้นนะ่ว่าคนรวยเนี่ยมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกฟ้องถูกฟ้องโน่นฟ้องนี่คนก็จะหาเรื่องนะในเมืองนอกนี่มันฟ้องได้ง่ายอยู่แล้วนะพูดจา ลวนลามก็ถูกฟ้องพูดจาดูถูกเพราะเหตุผลทางเชื้อชาติสีผิวก็ถูกฟ้องนะจะมีมีเหตุให้ฟ้องได้ได้ง่ายมากนะแล้วยิ่งรวยเนี่ยเขาก็จะฟ้องนะเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายนะเพราะนั้นเนี่ยคนที่ยิ่งรวยมากเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่จะต้องขึ้นลงขึ้นศาลนะเป็นคดีความเพราะถูกฟ้องโนนฟ้องนี่ก็มีความเสี่ยงสูงนะ มีโอกาสเป็นไปได้มากนะแล้วก็พอถูกฟ้องแล้วก็ต้องไม่อยากจะมีเรื่องมีราวก็ต้องยอมความยอมความก็ต้องจ่ายเงินให้เขานะซึ่งก็เท่า ก, กับทำให้คนหนึ่งก็อยากจะเอาทำทำตามหรือเอาแบบมั่งนะก็เรียกว่าไม่มีความสุขเท่าไหร่ข้อที่สองคือว่าจะมีคนที่หวังผลประโยชน์ส่วนตัว มาสมัครเป็นลูกน้องมาประจบสอบพอมาเข้าใกล้ไอ้พวกนี้เนี่ยนะไอ้ตอนที่เรามีเงินนะก็มากราบกรานแหนแห่นะเราพูดเราชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้นะแต่ว่าเพอเมื่มอไหร่เขาก็อาจจะโกงเรานะ ให้รับผิดชอบเรื่องงานเรื่องการเรื่องธุรกิจก็อาจจะเอาชื่อเราไปแอบอ้างหาผลประโยชน์หรือว่าถ้าให้คุมดูแลเรื่องการเงินก็อาจจะโกงนะมารู้ตัวอีกทีก็หมดไปละนะหลาย10บล้านนะอันนี้ก็เป็นความทุกข์ที่ทําให้คนรวยต้องคอยหวาดระแวงนะว่าให้คนที่ทํางานกับเรานี่มันจะซื่อสัตย์แค่ไหนมีความสุดตริตหรือเปล่า ข้อที่สามคือว่าจะได้แต่เพื่อนเทียมนะมิตรแท้ก็มีอยู่หรอกแต่ว่าพอรวยแล้วเนี่ยก็จะมีมิตรเทียมมิตรปลอกลอกเข้ามานะไอ้พวกนี้ก็เหมือนกันนะเวลาเรามีเงินเขาก็อามาอยู่ใกล้มาประจบสอบพอพอไม่มีเงินก็ห่างหายแล้วเดี๋ยวนี้ก็ดูยากนะว่าใครเป็นมิตรแท้มิตรเทียมเพราะบางคนก็อ่ ฉลาดมากแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะอยากได้รับคำป้อยอยอยู่แล้วใครมาป้อยอยใครมาสารเสริญก็คล้อมเคลิมคลอยนะมิตรแท้เนี่ยเขาจะไม่ประจบสอบพอเขาจะคอยติคอยติงเวลาเราทําอะไรผิดพลาดวันนี้ก็คอยเตือนคนธรรมดานี่ก็ไม่ค่อยอยากฟังเท่าไหร่นะคําติติงคําเตือนนะเพราะฉะนั้นเนี่ย พอเจอมิตรแท้เขาจริงๆก็อาจจะลำคาญอาจาาอาจะไม่ชอบนะใจก็จะฉันเห่ไปยังมิตรมิตรปอกลอกมิตรเทียมนะที่คอยชมคอยสรรเสริญว่าเราหล่อเราสวยเราเก่งนะเราเป็นคนมีความสามารถเราฉลาดไอ้พวกนี้เนี่ยทีแรกเราฟังเราก็เฉยๆนะอาจจะมีสติเตือนใจว่าอย่าไปหลงเชื่อนะมันเป็นโลกธรรมแต่พอได้ได้ฟัง ถูกกรอกู้บ่อยๆนะ ก, ก็เชื่อนะก็เชื่อแล้วก็อยากฟังอยากได้ยินมากขึ้นเรื่อยๆมันเป็นการเสพติดแบบหนึง่งอยากได้ฟังคำชมนะ <S <S ทางดงที่บางทีก็รู้นะว่ามันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นแต่ธรรมดาคนเราความจริงก็เป็นเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าไอ้คำสารเสวนก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งผู้หญิงหลายคนก็รู้ตัวเองไม่สวยนะแต่ก็อยากให้คนชมว่าสวยนะผู้ชายก็เหมือนกันนะ ก็อยากให้คนชมถึงรู้ถึงแม้ว่าอาจจะรู้ว่าตัวเองนี่ไม่เกง่งไม่ฉลาดนะไม่หลอ่อแต่พอมีคนชมก็ปลืม้มแล้วก็อยากฟังอยากให้คนเหล่านี้อยู่ ใ, ใกล้ๆเนะี่ยแล้วคนเหล่านี้พอเผลอเขาก็ปอกลอกเรานะีข้อที่สีคือว่าคนรวยมากๆเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกผิดนะรู้สึกผิดที่รวยนะก็จะพยายามแก้ บรรเทาความรู้สึกผิดด้วยการบริจาคเงินนะรู้ว่าที่ น, นั่นที่นี่เขามีความยากลาบากนะก็พยายามช่วยนะเพราะรู้สึกว่าไอเรารวยแล้วคนอื่นจนนี่มันมันน่าเกลียดอันนี้คงจะเมืองไทยไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะแต่ฝรั่งนี่เขามีกันเยอะนะคนรวยแล้วเนี่ยถ้าไม่ไม่บริจาคเงินเนี่ยมันน่าเกลียดนะ <c oughs> ให้ไม่ให้ก็ไม่ได้ให้ก็ให้ไปให้ไปก็ร้อยหลอนะบางทีก็ไม่สบายใจนะ เพื่อรวมชั้นเรียนเขาอยู่กันอย่างลำบากนะให้เราอยู่สบายเกิดความรู้สึกผิดอีกนะแต่แปลงนะอยู่กับคนที่เขาจนกว่าเราก็รู้สึกผิดนะอันนี้ฝรั่งนะพอเจอคนที่รวยกว่าก็รู้สึกทุกข์นะทุกข์ที่เขารวยกว่าเรานะอันนี้ก็เป็นความทุกข์ของคนรวยอีกแบบหนึง่งนะแล้วก็ข้อต่อมาคือว่ารวยมากๆนี่ก็ต้องจ่ายหนี้จ่ายภาษีเยอะนะอันนี้ก็อาจจะเป็น ปัญหาของฝรั่งนะคนไทยเราไอภาษีนี่มันก็ไม่ค่อยโหดร้ายเท่าไหรนะ่ก็อาจจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้เท่าไหร่นะเรื่องภาษีแต่ข้อสุดท้ายนี่บอกว่าเนี่ยคนรวยเนี่ยนะจะมีความเครียดเพราะว่าต้องพยายามที่จะรักษาชีวิตแบบเดิมให้คงอยู่ให้ได้พูดง่ายเหมือนกับขี่เสือนะพอรวยมากๆขี่เสือลงไม่ได้ ก็คือว่าพอรวยมากๆเนี่ยก็มีชีวิตที่สะดวกสบายมีรถอย่างดีนะมีคนขับนะบ้านก็หลังใหญ่นะกินอะไรก็ของราคาแพงต้องใช้สินค้าแบรนดเ์เนมพอใช้ไปใช้ไปเนี่ยมันคุ้นกับชีวิตแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องหาเงินที่จะมามาหล่อเลี้ยงชีวิตแบบนี้เอาไว้ต้องหาเงินเยอะๆมาค้ำจุนวิถีชีวิตแบบนี้นะ จะให้จนกว่านี้นะก็ทำไม่ได้แล้วมันเมื่อขี่เสือมันไม่คุ้นแล้วจะกลับมากินข้าวแกงก็ทำไม่ได้นะจะกลับมาขับรถเองหรือว่าขับรถญี่ปุ่นมันก็ไม่สะดวกใจเพราะนั้นก็ต้องใช้ชีวิตที่หรูหราฟุ่มเฟือยนะก็ต้องไปหาเงินมาก็ต้องเหนื่อยการหาเงินนะเพื่อมาหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตที่ร่ำรวยหรูหราให้เท่าเดิม แต่บางคนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่อยากจะให้ชีวิตมันเท่าเดิมนะอยากจะให้รูหรายิ่งกว่าเดิมเพราะพอรวยมากๆเนี่ยก็มีความคาดหวังสูงนะแต่ก่อนก็มีเงินก็ไปเที่ยวแค่ ญ, ญี่ปุ่นนะตอนหลังพอมีเงินมากอ้เราต้องไปไกลกว่า น, นั้นแต่เดิมนะรวยก็นั่งใช้ใจ่ายอยู่พักอยู่ในโรงพยาบาลสีอ้โรงแรมสีดาวพอรวยมากๆเนี่ย เอเราต้องห้าดาวหกดาวแล้วนะความคาดหวังมันสูงขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> มันมีความคาดหวังสูงขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าคือความอยากนะขาวเนี้จมไม่ลงแล้วนะก็ต้องไปหาเงินหาทองมาเพื่อที่จะให้มันรวยขึ้นกว่าเดิมให้มันมีชีวิตที่หรูหรา ย, ยิ่งกว่าเดิมขาวนี้เราเหนื่อยแล้วนะเหนื่อยต้องทำงานเจ็ดวันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้หยุดนะจะได้มีเงินมาม า, มาหล่อเลี้ยงมา คำจุนชีวิตที่มันร่ํารวยหรือมาตอบสนองความอยากที่มันมากขึ้นเรื่อยๆเขาก็ทําการวิจัยไปสอบถามนะคนรวยพบว่าส่วนใหญ่แล้วก็เครียดนะแล้วก็ทุกข์ไม่ได้ต่างจากคนทั่วไปเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นเหตุผลนั่นหนึ่งแล้วก็ที่เป็นมากนะกคือพอเห็นคนอื่นรวยกว่าแล้วก็มันไม่มีความสุขแล้วอย่างที่พูดเมื่อกี้เนี่ยไอเจอคนที่จนกว่าก็ทุกข์นะรู้สึกผิดว่าเรารวยกว่าเขา นะอันนี้คนฝรั่งเป็นเยอะคนไทยไม่ค่อยเป็นหรอกนะกับภูมิใจว่าฉันรวยกว่าคนไทยเราชอบอวดรวยอยู่แล้วแต่พอไปเจอคนที่รวยกว่าเนี่ยมันทุกเลยนะมันทุกนะเพราะว่าอยากจะรวยเหมือนเขาอยากจะรวยเท่าเทียมกับเขาเพราะนั้นก็ต้องมีมากขึ้นเรื่อยเรืยเคยมีคนสอบถามฝรั่งเนี่ยว่ามีเงินแค่ไหนถึงจะมีความสุขมากกว่าเดิมนะ เราเคยถามนี้หรือว่านะมีเงินเท่าไรเนี่ยเราถึงจะมีความสุขมากกว่าเดิมส่วนใหญ่ตอบว่ามากกว่าที่เป็นอยู่นะไม่ได้บอกจํานวนนะไม่ได้บอกว่าสิบล้านร้อยล้านแต่ว่าต้องมากกว่าที่เป็นอยู่นะถ้ายังเท่าเดิมเนี่ยก็จะไม่มีความสุขอย่าว่าแต่สุขกว่าเลยนะแค่สุขเท่าเดิมก็ไม่มีละเพราะว่ามันมันคุ้นเคยมันเคยชินนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะต้องมีความต้องมีเงินมากกว่าเดิมนะมีสิบล้านก็ต้องหา20ล้านมีร้อยล้านก็ต้องหา200ล้านนะมันก็เลยเหมือนก็ว่ า, าวิ่งอยู่บนาลานเขาเรียกว่าลานวิ่งอะนะที่มันเคลื่อนอยู่ไปเรื่อยๆต้องวิ่งไปให้ได้ต้องวิ่งให้ทันลานนั้นวิ่งไม่ทันก็ตกขบวนไป แล้วความทุกอย่างหนึ่งที่ฝรั่งเจอนะคนไทยคงจะเจอมากขึ้นเรื่อยๆคือว่ามีคนอิจฉานะคนอิดชามากขึ้นเรื่อยๆไอ้มิดปลอกลอกนะมิรเทียมก็เยอะนะไอคนอิจฉาคนมุ่งร้ายก็เยอะเ <c oughs> มื่อกี้ก็บอกไว้แล้วว่ามันก็บางคนก็หาทางฟ้องเพื่ อ, อเอาค่าเสียหายไอพวกที่ไม่ฟ้องก็คอยด่าอยู่ในใจบางที่ก็เขียนนะ เขียนข้อความด่าทางเพจ a c e b o o กเพราะอิจฉาอาจจะคิดว่าเรานี่น ะ, ะเป็นคนโลภทนั้นความอิจฉามก็เกิดขึ้นนะกับคน <c oughs> ที่ร่ำรวยกับคนที่เห็นคนอื่นเขาร่ำรวยนะไอ้ตัวเองก็อิจฉาคนอื่นที่รวยกว่านะขณะเดียวกันคนที่เขาเห็นว่าเรารวยเขาก็อิจฉาเราแล้วเขาก็หาทางกันแกลกกันแหนนะหรือว่าดูถูกเยยดยาม สรุปแล้วคือว่ารวยแล้วนี่มันก็ไม่ได้มีความสุขเท่าไหร่นั่นอันนี้ก็คือเหตุผลเจประการนะที่เขาว่าทําให้ความร่ํารวยเนี่ยมันสิ่งที่น่ากลัวนะ <c oughs> อันนี้ก็น่าสนใจเพราะฝรั่งก็เขียนเองนะแล้วก็เขาก็สอบถามคนร่ํารวยพวกนักธุรกิจต่างๆนะแล้วก็พบว่าจริงไอ้ความร่ํารวยมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่หอมหวานหรือว่าน่าหรือมีเสน่ห์เท่าไหร่ แต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้คิดนะไปมองแต่ภายนอกว่าอคนรวยเขาเท่เขามีความสุขเขาใช้ของดีเขาใช้ของราคาแพงแต่ไม่ได้รู้ว่าข้างในใจเขานี่มีความทุกข์มีความเครียดแค่ไหนนะบางทีก็เจ็บป่วยง่ายขึ้นโดยโดยเฉพาะ <c oughs> คนที่ถูกแวดล้อมด้วยคนที่รวยกว่า <c oughs> เาเพราะว่าคนที่ถูกแวดล้อมหรือมีเพื่อนที่รวยกว่าเนี่ยมีโอกาสเป็นโรคหัวใจ มากกว่าคนปกตินะประมาณสิบยีนะ่สิเอร์เซนตอันนี้แสดงว่ามีเงินมากก็ไม่ก็ไม่ได้มีความสุขนะเพราะว่ามันอยากจะมีมากขึ้นเรื่อยๆรื่เห็นคนถึงเขามีมากกว่าก็อดร่นทนไม่ได้ไม่สบายใจมีความเครียดนะต้องได้นลนหาเงินมาให้มากหาเงินมาให้มากก็เหนื่อยได้มาแล้วก็ทุกในการรักษาหรือถ้าไม่ได้มาก็เครียดนะอันนี้ก็ มาเล่าให้ฟังนะว่าจริงๆแล้วนี่ไอความสุขที่ดีกว่าความร่ำรวยมันมีกว่ามันมีมากกว่านั้นเยอะนะแต่คนไม่ค่อยมองเท่าไหร่เอาละเตรียมรับพร